hmm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 มถึงอายุท่านครบร้อยนะเมื่อปีสี่เก้จะเองท่านบรณนาพไปเนี่ยสิบสามปีละคือปีสามหท่านอายุครบร้อยเมื่อปีสี่เกตอนนี้ถ้าท่านมีชีวิตยอยู่ก็ร้อยสิปีตอนที่สวนมงเนี่ยนะเริ่มมีการสร้าง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 ทำให้ก็ทำวาวลินิตบลหน่อยคราวหนึ่งท่านก็สร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวาเรียกสั้นๆว่าโรงเรือโรงเรือก็คือตึกหรืออาคารที่มีรูปร่างคล้ายเรือก็ใช้เวลานา น, านมีคราวหนึ่งก็มีลูกศิษย์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 อาคารโรงเรือก็ยังไม่ได้สร้างไปมากมายเท่าไหร่จากเมื่อสองเดือนก่อนก็เลยกลับมาหาอาจารพุทธาก็บอกว่ายังเห็นเสร็จแล้วอาจารย์อาจารย์พุทธาก็ตอบว่าเสร็จแล้วนะเสร็จทุกวันวันนี้เสร็จนะพรุ่งนี้ก็เสร็จมาหรือ น, น, นี้ก็เสร็จนะเสร็จทุกวันนะอโยงนั้นแกก็งงนะพอตามคาวามเข้าใจของ แกเนี่ยคือเสร็จก็คือเรียบร้อยสมบูรณ์แต่สารจาระาธาตุเนี่ยเวลาท่านทำแล้วก็ตามเนี่ยท่านทำด้วยใจที่ปล่อยวางถ้าทำตั้งแต่เชา้าจดเย็นก็ถือว่าเสร็จแปลว่าไม่มีอะไรต้องกังวลคนเราเวลาทำอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเบา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 จะยิ่งโกรธยิ่งเกลียดมันก็ยิ่งคิดยิ่งนึกนะเวลามือหรือนิ้วเราถูกกินกลิ่นเหม็นนะน้ำปลาปลาระหรือกะปินะเหม็นเราไม่ชอบเราก็เช็ดมือถูนิ้วแต่พอล้างนิ้วเสร็จล้างมือเสร็จเราทำยังไงเราก็ยกเราก็ดึงนิ้วมาดมนะเราไม่ชอบกลิน่นเหม็นที่ติดอยู่ปลายนิ้วแต่เราก็ดมมันอยู่ด้านหลั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 เถวป่าเถาภูเขาเถาลําปางลํำลําพูนมันก็มีภูเยอะนะระหว่างที่บังคับเครื่องเนี่ยให้ไปให้ให้เข้าไปในป่าให้บินอยู่เนื้อภูเขาตอนนั้นเพื่อตามานี่ก็ทําใจแล้วว่าเนี่ยคงจะต้องตายในช่วงนั้นเองเนี่ยนะ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 ใจสงบนะอย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อนมันไม่มีความไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความวิตกกังวลอะไรเลยและบรรยายการรอบคล้างนี่ก็เป็นใจด้วยอย่างที่บอกนะทุกอย่างรอบตัวสงบแล้วก็สวยงามแล้วพ่อพบอกว่าเครื่องนะก็ติดนะเครื่องต้องติดอยู่แลาเพราะถ้าไม่ติดนี่ก็าเบียรคงไม่สามารถจะมารล่าใหฟังได้นะเครื่องติดก็ตกลงว่าจะบินต่อหรือว่าจะ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 นะถ้าว่าเข้าหาถาว่ า, าวขนาดกระฟังก็จะหลุดออกจากกระแสน้ำแล้วก็สามารถจะอาศัยคลื่นเนี่ยนะซัดเข้าหาฝั่งได้แต่ที่เธอแปลกใจคือว่าเอาเข้ า, าจริงความตายก็ไม่น่ากลัวเมื่อใดก็ตามที่ใจยอมรับได้เนี่ยมันก็จิตก็สงบอย่างยิ่งนะอันนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเรา